จเจรินพรท่านผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายขุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่19พฤศภาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มีความตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบภารกิจทางาศาสนา ที่พระบรมศาสดาพระอรหันตะสังมาสามพุทธเจ้าที่ประเสริฐผู้ประเสริฐที่พวกเราให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสได้สงสั่งสอนให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมีการทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละการกระทำบาป ท, ทั้งหลายและ ทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงเพราะเป็นทางที่จะพาไปสู่ความสุขความเจริญความดีทั้งหลายเราจึงได้มาปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอส่วนหนึ่งก็เพราะเราได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติ เพราะถ้าเราไม่ได้เห็นผลแล้ว <c oughs> เราก็คงจะไม่กลับมาทำกันอีกผลที่ได้นั้นมีทั้งสองประการด้วยกันคือประการแรกก็คือประโยชน์สุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะนี้ในขณะที่เราได้ทำบุญแล้วและผลที่จะตามมาต่อไป ในพพหน้าชาติหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นเราก็คงจะต้องเชื่อไว้ก่อนแต่สิ่งที่เราเห็นได้สัมผัสได้พิสูจน์ได้ก็คือในปัจจุบันเวลาที่เราทำความดีจิตของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขนี่คือบุญ พราบุญแปลว่าความสุขใจนะทำแล้วทำให้เรามีความสุขสบายใจไม่อุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับการไปกระทำสิ่งอื่นๆเช่นเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วเราเอาเงินนี้ไปใช้ในสองลักษณะด้วยกัน จะเห็นความแตกต่างกันถ้าเราเอาเงินมาทำบุญอย่างที่เราทำกันในวันนี้ใจของเราก็จะมีความสงบมีความสุขมีความภูมิใจมีความอิ่มมีความพอเพราะ <c oughs> การกระทาคือการให้ <c oughs> การได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการกำจัดความเห็นแก่ตัว ความใจแค่ความตนีความโลภความอยากให้เบาบางลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงไปแล้วก็จะทำให้ใจเราสงบลงเมื่อใจมีความสงบก็จะเกิดความอิ่มและความพอและความสุขตามมานี่เป็นธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ใจจะสุขจะอิ่มจะพอ ไม่ได้เกิดจากการทำอะไรที่ตามใจเราคือทำตามความอยากของเราได้อะไรมามากน้อยเพียงไรจะไม่ทำให้เรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่กลับสร้างความอยากความต้องการให้มีมากยิ่งขึ้นและไม่มีความภูมิภูมิใจในตัว ตัวเองเพราะไม่ได้ทำความดีนั่นเอง <c oughs> การให้ผู้อื่นนี้เป็นการทำความดีแต่การให้กับตัวเราเองนี้ไม่ได้เป็นการทำความดีแต่อย่างใด <c oughs> นี่คือประโยชน์สุขที่เกิดจากเงินก้อนหนึ่งที่เราเอามาทําบุญ <c oughs> ถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสิ่งที่ไม่จาเป็นต่อการดำรงชีพ ไปซื้อสิ่งที่พุ่มเฟื่อยหรือเอาไปเที่ยว <c oughs> เช่นไปดูภาพยนตร์ไปเที่ยวตามสถานที่เริงรมต่างๆสิ่งที่เราได้ก็เพียงแต่ความสนุกเพลิดเพลินไปในขณะที่เราได้สัมผัสเท่านั้นพอผ่านไปแล้ว <c oughs> ใจของเราก็จะมีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวใจ ไม่มีความรู้สึกอิ่มไม่มีความรู้สึกพอเลยเพราะการกระทำที่ทำตามความอยากไม่ได้ทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอมีความสุข <c oughs> ดังนั้นเราจะเห็นได้ทันทีในปัจจุบันสภาพจิตใจของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆ ก็มีความโลภโมโทสันน้อยลงไปเบาบางลงไปนถ้าตราบใดเราปล่อยให้ใจของเราทําอะไรไปตามความโลภโมโทสันตามความโลภตามความอยากก็จะสร้างให้ใจของเราทําให้ใจของเราต้องหมุนต้องมีการกระทาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อจิตของเราต้องทำมากขึ้นไปเรื่อยๆคือต้องคิดหาคิดคิดอยากได้คิดอยากมีอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เกิดความหิวเกิดความกระหายเกิดความอยากเพราะใจไม่สงบนั่นเองยิ่งทำให้ความสงบของใจน้อยลงไปเพราะความอิ่มความพอความสุขนั้นอยู่ที่ความสงบเป็นหลักถ้าไม่มีความสงบแล้ว จะหาความสุขไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นการกระทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรากระทากันนั้นจึงจะสวนกับความรู้สึกภายในใจของเราเพราะภายในใจของเราถูกอำนาจของความโลภความโกรธความหลงคร <c oughs> อบงำจิตใจยอยู่ที่จะคอยผลักดันให้เราไปแสวงหาสิ่งต่างๆ ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆซึ่งเป็นการเดินผิดทางเป็นการหลงทางเพราะสิ่งต่างๆภายนอกไม่สามารถที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับใจของเราได้นั่นเองพวกเราก็หากันมามากแล้วตั้งแต่เกิดมาแทบจะทุกวันเลยเพอตื่นขึ้นมาความโลภความอยากมันก็แสดงตัวออกมา แม้กระทั่งในตัวเด็กๆ เ, เล็กๆมันก็แสดงตัวออกมาพอไม่ได้อะไรเด็กก็จะหงุดหงิดร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาต้องหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาให้สิ่งที่มันมีความจำเป็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเช่นอาหารที่เราจำเป็นจะต้องรับประทานน้ำที่เราจะต้องดื่มอากาศที่เราต้องหายใจ การต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภเป็นความอยากเป็นความจําเป็นแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะความโลภความอยากก็สามารถที่จะแฝงตัวมากับความจําเป็นได้เคยเช่นเรารับประทานมากเกินความจําเป็นนี่ก็แสดงว่าถูกความโลภความอยากเข้ามาแทรกแล้ว รับประทานอาหารต้องพอประมาณไม่น้อยจนเกินไปและไม่มากจนเกินไปพอที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายไม่หิวไม่กระหายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นเวลาที่เราหาสิ่งที่จำเป็นมาเช่นปัจจัยสี่เราก็ต้องใช้หลัก <c oughs> มากน้อยสันโดษหรือพอประมาณมากน้อยก็คือเอาเท่าที่จำเป็นถ้าความจำเป็นอยู่ที่เสื้อผ้าเพียงสองสามชุดก็ไม่ให้มากไปก่อ น, นั้นถ้าความจำเป็นมีถึงห้าหกชุดก็เอาเท่านั้นการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันรับประทานเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อรับประทาน ถ้าอยู่รับรอยู่เพื่อรับประทานแล้วรับประทานวันละ 4-5 ห้าครั้งก็ยังไม่พอแต่ถ้ารับประทานเพื่ออยู่แล้วรับประทานเพียงวันละครั้งเดียวก็อยู่ได้ <c oughs> แต่กิเลสจะต้องสร้างความวุ่นวายให้กับเราอย่างแน่นอนแต่ถ้าเรามีความหนักแน่นต่อสู้กับความอยากด้วยเหตุด้วยผล เวลาที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วสำหรับวันนี้เช่นถ้าเราอยากจะรับประทานวันละครั้งเดียวเมื่อเรารับประทานเสร็จแล้วเวลาเกิดกิเลสอยากจะรับประทานอีกเราก็ต้องสอนใจว่าไม่จำเป็นไม่ตายคนที่เขาอดอาหารเป็นวันๆเขายังไม่ตายเลยเราอดเราได้รับประทานอาหารแล้วเต็มที่แล้ว ไม่ต้องกลัวตายไม่ตายอย่างแน่นอนเพราะเป็นเหมือนกับเกินการเติมน้ำมันรถเวลาเติมน้ำมันรถเราก็เติมมั น, มนทีเดียวให้เต็มถังไปเลยรถจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหยุดเติมตามกลางทางอยู่เรื่อยๆท้องเราก็เป็นเหมือนกับถังน้ามันรถเราก็กินให้มันเต็มท้องไปเลยครั้งเดียวเลยจบรับรองได้ว่าไม่ตายและก็จะมีความสุข ไม่ต้องไปวุ่นวายไปเป็นทาตของความอยากพอความอยากสั่งว่าอยากจะกินสิ่งนั้นอยากจะกินสิ่งนี้มันก็ไม่สามารถสั่งเราได้อีกต่อไปเพราะเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้จักประมาณให้เรารับประทานเท่าที่จำเป็นเราก็จะเป็นผู้ชนะความอยากทางด้านอาหารไป ปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะไม่มีตามมาเรื่องน้ำหนักเกินก็จะไม่มีเมื่อไม่มีน้ำหนักเกินก็ไม่ต้องไปออกกำลังกายให้เหนื่อยยากไปเปล่าคนที่ต้องไปออกกำลังกายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องการที่จะไปรีดไขมันรีดอาหารที่รับประทานเข้าไปซึ่งเป็นเรื่องที่ง้อเขาเบาปัญญา ไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ปลายเหตุควรแท้แก้ที่ต้นเหตุก็คือควรจะระงับการรับประทานอาหารมากจนเกินไปต้องใช้ธรรมะเข้ามาปราบตัณหาความอยากคือเหตุผลนี่เองถ้าเราเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลแล้วกิเลส จ, จะไม่ค่อยจะมีอํานาจครอบงาใจของเราได้เพราะเหตุผลหรือความจริงนั้นจะชนะ กิเลสได้พระพุทธเจ้าชนะกิเลสความโลภความโกรธความหลงได้ก็เพราะเหตุผลคือปัญญานี่เองคือหลักความจริงความจริงของร่างกายก็คือรับประทานอาหารวันละครั้งหนึ่งก็อยู่ได้แล้วที่อยู่ไม่ได้กันก็เพราะกิเลสมันคอยเหยียบย่ำลุมเลาจิตใจทำให้ทุกข์ทรมานทางจิตใจ แต่ทางกายมันไม่รู้สึกอะไรกายไม่มีความรู้สึกความรู้สึกทั้งหมดอยู่ที่ใจแต่ในขณะที่เราต่อสู้กับกิเลสในเบื้องต้นก็ต้องก็ต้องทุกข์ยากลาบากเป็นธรรมดาเหมือนกับการต่อสู้กับศัตรูข้าศึกแต่เมื่อเราสามารถปราบศัตรูข่าศึกจนลาบคาบหมดไปได้แล้ว เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่มีอะไรมาคอยเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้มแข็งคือความอดทนมีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรามองไปที่พระพุทธเจ้าทุกครั้งเวลาที่เราต่อสู้กับกิเลสแล้วเกิดความท้อแท้ ดูว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านทุกท่านทรมานยากลำบากขนาดไหนกว่าจะชนะกิเลสได้กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เลือดตาแทบกระเด็นได้ได้ยินว่าท่านเคยอดพระกายาหารถึง49วันด้วยกันกินดูก็แล้วกัน49วันยาวขนาดไหนพวกเราเพียงอดแค่24ี่ชั่วโมงเท่านั้น จะเป็นจะตายให้ได้แล้วนี่แหละคือเรื่องของการเอาชนะกิเลสเรื่องของการสร้างความสุขให้กับเรามันไม่ได้มาอย่างง่ายๆมันไม่ได้มาจากการรับประทานอาหารเยอะๆนอนมากๆได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ เพราะการกระทําเหล่านี้มันจะนำความทุกข์เข้ามาบีบคั้นเรามากยิ่งขึ้นไปจะต้องบีบให้เราต้องไปหาเงินหาทองมาใช้กับสิ่งต่างๆที่เราอยากได้แล้วเราก็ต้องเสียเวลาบีบใจของเราให้ไปไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เมื่อได้มาแล้วก็ดีใจเพียงแค่วันสองวัน แล้วก็อยากจะได้ใหม่วงจรอุบัตก็เกิดขึ้นใหม่ก็ต้องไปหาเงินหาทองใหม่แล้วก็ต้องไปหาซื้อไปใช้เงินใช้ทองใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้มาไม่รู้จะจบอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ทำอย่างนี้มาอยู่เรื่อยๆเราไม่เบื่อมั่งหรือ แล้วไม่อยากจะทำอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำบ้างหรือคือต่อสู้กับความอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหลายอะไรที่ไม่จำเป็นแล้วไม่เอาเลยเอาเพียงสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช่นอากาศหายใจจำเป็นก็ก็หายใจเข้ามาน้ำจำเป็นต้องดื่มก็ดื่มแต่ไม่ต้องไปดื่มน้าที่มีสีมีรสมีชาติอะไรผสมปรุงแต่งเข้าไป สิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของกามะอัญหาความอยากในรูปรสเสียงกลิ่นรสสิ่งเหล่า น, นี้ไม่ได้เสริมสร้างพัฒนาจิตใจหรือร่างกายแต่อย่างใดมีแต่คอยจะฉุดลากให้จิตใจและร่างกายไปสู่ความหายณนะถ้าเรารับประทานของหวานหวานมาก ต่อไปเบาหวานก็จะรับประทานเราแล้วก็จะต้องรับประทานของหวานไม่ได้อีกต่อไปก็จะทุกข์ทรมานในที่สุดอยู่ดีแต่ถ้าเรารู้จักประมาณรับประทานพอสมควรเราจะสามารถรับประทานไปได้จนถึงวันตายไม่ต้องไปหยุดตอนที่เกิดโรคเบาหวานขึ้นมาเมื่อถึงตอนนั้นมันก็ยิ่งจะทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตอนนี้ตอนนี้เราทําด้วยความตั้งใจ ทำด้วยความพอใจทำด้วยเหตุด้วยผลฝึกไปไม่กี่วันก็สามารถที่จะลดปริมาณการรับประทานน้ำตาลได้แล้วถ้ายิ่งเรารับประทานอาหารวันละมื้อเดียวยิ่งควบคุมได้ง่ายใหญ่ก็รับประทานในขณะที่เรารับประทานอาหารพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่ ดืมของหวานไม่กินของหวานอะไรอีกต่อไปไม่กินอะไรอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ชีวิตของเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องวุ่นวายกับการรับประทานอาหารเวลาสามมื้อแล้วเป็นหลักแล้วยังมีของว่างของระหว่างมื้ออีกไม่รู้อีกสักเท่าไหร่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย เสียเวลาเปล่ า, เ, ลาเสียชาติของการเป็นมนุษย์มนุษย์นี้เกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อพัฒนาจิตใจยกตนให้พ้นจากความทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือฐานะของมนุษย์หรือภารกิจของมนุษย์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราเราจะไม่รู้ภารกิจที่แท้จริงของเราว่าเป็นอย่างไร แต่เมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคํังสอนแล้วเราก็จะรู้ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐและยากยิ่งและเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวท่านั้นเป็นพบเดียวท่านั้นที่จะสามารถยกจิตใจให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนหลุดพ้นจากความทุกข์จนเข้าสู่พระนิพพานไป มีมนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้นอกจากนั้นแล้วไม่มีทางที่จะทำได้เลยเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยของอันเดียนวิเศษที่เราได้มาไปกับสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายเช่นได้เงินได้ทองมาแล้วแทนที่จะเอามาสร้างบ้านเอามาซื้ออาหารเอามาเก็บไว้ดูแลชีวิตจิตใจ เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตกทุกข์ได้ยากเรากลับเอาไปโยนทิ้งน้าเสียอย่างนี้เป็นต้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องเห็นคุณค่าของชีวิตของมนุษย์ของคุณค่าของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วควรที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ท่านได้ทำเป็นตัวอย่างไว้ท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการพัฒนาจิตใจให้หลุดพ้นจากคาทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยพาราคิารงานต่างๆที่เคยทำไว้ก็เลิกทำสละหมดออกบวชเคยเป็นกษัตริย์ก็ออกบวช เคยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ออกบวชเคยเป็นผู้จัดการธนาคารก็ออกบวชเคยเคยเป็นสามีหรือภรรยาก็สละทิ้งไปออกบวชกันเพราะสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันเป็นของปลอมทั้งสิ้นมันไม่ได้มีประโยชน์กับทางด้านจิตใจเลย เวลาใจตายไปเวลาตายไปใจก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่สังขารร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้ต้องทิ้งให้เขาเผาให้เขาเอาไปฝังดินเท่านั้นเองแล้วเราจะมาหลงกับสิ่งเหล่านี้ทำไมเราทำไมไม่ดูพระพุทธเจ้าดูพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างว่าท่านทำอย่างไร แล้วท่านได้อะไรหลังจากที่ท่านได้ทำแล้วท่านก็ได้แต่ปรมังสุขขังนั่นเองคือบรลมมาสุขภายในจิตใจจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่มีความทุกข์แม้แต่นิดน้อยนิดอยู่ในใจเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ว่าอะไรจะเป็นใครจะเป็นใครจะตาย หรือตัวท่านเองจะเป็นจะตายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเพราะใจไม่ได้ไปมีอะไรกับสิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วได้ปล่อยวางหมดแล้วไม่ยึดไม่ติดไม่ได้ถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าพวกเราทำอย่างนี้ได้พวกเราก็จะไม่มีความทุกข์เลยเหตุที่พวกเราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะเรายังยึดติดกันอยู่ยังถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นตัวเราอยู่แต่ถ้าสิ่งไหนที่ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราเราจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยมีคนในโลกนี้มากมายกายกองเป็น เป็นพันล้านเขาจะเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนเลยแต่เรามาเดือดร้อนจากไอ้ร่างกายของเราตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองทําไมเราไม่มองว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็เป็นเหมือนกับของคนอื่นมีอาการ32ตายไปก็กลายเป็นดินกลับไปสู่ดินน้ำนุ่นใก็มีอยู่เท่านั้นแล้วยังมาหลงยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไร ถ้าเราเห็นแล้วเราปล่อยวางได้ตัดได้รับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์เลยแต่ในการปล่อยวางในเบื้องต้นนี้มันจะยากเพราะเป็นเหมือนกับการต่อสู้กันอุปทานคือความยึดมั่นมันจะเหนียวยิ่งกว่ากาวตาช้างเวลาเราจะดึงงัดมันออกมาจากสิ่งที่มันติดอยู่นี้มันยากมากต้องใช้กำลังมาก แต่มันก็ไม่เหนือวิสัยของเราที่จะทําได้เพรา ะ, พระ พ, ระพระพุทธเจ้าได้ทํามาแล้วเป็นตัวอย่างนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ต้องต่อสู้กับอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอย่างอย่างมากถึงกับอดข้าวถึง49วันก็แล้วกันนั่นคือวิธีต่อสู้ต่อกับอุปทานความความยึดมั่นถือมั่นต่างๆพวกเราก็ลอง ลองต่อสู้ด้วยการกินข้าววันละมื้อดสูสักครั้งหนึ่งเป็นอย่างไรไม่ต้องทำทุกวันก็ได้ตอนต้นทำเพียงวันเดียวก่อนทำอาทิตย์ละวันเท่านั้นเองเช่นวันพระนี่ท่านก็สอนให้ถือศีลแปะและเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าเรารับประทานเพียงครั้งเดียวดูเราก็จะเห็นผล ในเบื้องต้นก็จะต้องทุกข์ทรมานธรรมดาเพราะกิเลสมันมันไม่ยอมอยู่เฉยๆมันจะคิดถึงอาหารอยู่เรื่อยๆคิดแล้วก็น้าลายหลคิดแล้วก็หิวเราต้องดับมันอย่าไปอย่าไปปล่อยให้มันคิดท่านจึงสอนให้เราสวดมนต์หรือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเรียกว่าภาวนาสมถ ภ, ภาวนาอย่าปล่อยให้ใจคิดไปตามอำนาจของกิเลส ถ้าปล่อยแล้วมันจะคิดถึงอาหารทันทีเลยอาหารร้อย800ดพันประการนี้มันจะบาโผลขึ้นอยู่ที่ในใจของเราอ้ น, นั่นก็อร่อยอ้ น, นี่ก็อร่อยถ้าบอกคิดอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไม่นานก็ตบะแตกศีลขาดต้องไปกินจนได้ถ้าจะใช้ปัญญารนะงับท่านก็สอนให้เรามองดูสภาพของอาหารที่มันไม่สวยงาม ที่เป็นปฏิกูลเช่นเวลาที่อาหารเข้าไปอยู่ในปากผสมกับน้ำลายแล้วถูกเคี้ยวถูกบดแล้วดูสิว่ามันเป็นอย่างไรถ้ามองไม่เห็นก็ลองคลายมันออกมาคลายมันออกมาดูแล้วดูซิว่าจะตักมันเข้าไปกินใหม่ได้ไหรือไม่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่ามันจะไม่หิวมันจะไม่อยากกินไม่ลงขึ้นมาทันทีเลยนี่คือวิธีแก้ กิเลสความหิวที่ไม่รู้จักขอบจากเขตไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแก้ด้วยสองวิธีถ้าเรายังไม่มีความกล้าอาหารที่จะนึกถึงความไม่สวยงามของอาหารความเป็นปัติกูลของอาหารเราก็ท่องพุทโธไปเรื่อยๆท่องมันทั้งวันเลยอย่าไปคิดถึงอาหารพอคิดถึงอาหารปั๊บก็ต้องเรียกพุทโธมาเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ หรือจะสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆเวลาคิดถึงอาหารเวลาอยากจะกินอาหารนี่ต้องสวดมนต์ไปแล้วอย่าไปคิดไม่จะสวดไปคิดไปด้วยมันก็จะไม่หายต้องสวดอย่างเดียวอย่าให้คิดถึงเรื่องอาหารเลยถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วไม่ช้าก็เร็วความหิวก็จะหายไปเวลาที่จิตสงบลงนิ่งลงก็จะเกิดความอิ่มใจขึ้นมา แล้วเราจะเห็นว่าความหิวที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจอยู่ที่กิเลสที่ไปคิดถึงอาหารต่างๆพอทำใจให้สงบไม่ได้คิดถึงเรื่องอาหารเลยความหิวก็หายไปส่วนความหิวของทางร่างกายก็มีเพียงแต่ความรู้สึกท้องว่างๆไปเท่านั้นเองแต่จะไม่ทุกข์ทรมานเหมือนกับความหิวที่เกิดขึ้นจากความ ความคิดปรุงของใจความคิดปรุงของกิเลสตัวนี้ทุกทรมานมากแม้แต่รับประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆถ้าคิดถึงอาหารคิดถึงขนมขึ้นมาอีกก็ยังอยากจะรับประทานอีกทั้งๆที่ท้องนี่แ่นอยู่แล้วคนบางคนจึงรับจึงหยุดรับประทานไม่ได้น้ำหนักจึงเกินเพราะเมื่อท้องเริ่มแน่นแล้วแทนที่จะหยุดกลับไม่หยุดหยุดไม่ได้ไม่มีเบรก ถ้าเป็นรถก็ต้องวิ่งฝา่าไฟแดงไปชนกับรถคันอื่นเขาถ้าเป็นคนกินอาหารก็ต้องกินจนกระทั่งอ้วนอ้วนน้ำหนักเกินแล้วก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพตามมาต่อไปเป็นเพราะว่าไม่รู้จักการรับประทานอาหารพอประมาณนั่นเองดังนั้นการที่เราจะทาอะไรเราต้องระมัดระวัง อย่าให้กิเลสมันแทรกเข้ามาอย่าให้ความอยากมันแทรกเข้ามาเราต้องคอยใช่เหตุใช้ผลเสมอเวลาเราอยากจะได้อะไรต้องถามตัวเราเองว่าจาเป็นไหมถ้าไม่มีสิ่งที่เราอยากได้นี้แล้วยังอยู่ได้หรือเปล่าหรือเราจะต้องตายไปถ้าเราต้องตายไปเรากต็ต้องถือว่าจาเป็นก็ต้องไปหามา เช่นไม่มีน้ำดื่มอย่างนี้จำเป็นไหมถ้าไม่ดื่มน้ำไปไม่กี่วันก็ต้องตายอย่างนี้จำเป็นก็ต้องมีน้ำไว้ดื่มแต่อยากจะได้โทรศัพท์มือถือมาสักเครื่องหนึ่งอย่างนี้มันจำเป็นไหมไม่มีโทรศัพท์มือถือเราจะตายหรือไม่หรืออยากจะได้เครื่องใหม่เครื่องเก่ามันใช้ไม่ได้หรืออย่างไรมีเครื่องเก่าแล้วยังไม่พอใจ พอเห็นเขาโฆษณาเครื่องใหม่ๆออกมาก็อยากจะได้อีกแล้วพอได้มาแล้วเดี๋ยวไม่นานก็มีเครื่องใหม่ออกมาอีกแล้วชีวิตของเราจะไปเจอความสงบสุขได้เมื่อไหร่ต้องขอยดิ้ดนรนขวนขวายตะเกียกตะกายหาเงินหาทองต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆมันเหนื่อยจะตายไปเราไม่คิดกันบ้างหรือว่า อยู่เฉยๆนี่แมนแสนจะสุขแสงจะสบายทาไมเราไม่อยู่กันก็เพราะเราสู้ความอยากไม่ได้สู้กิเลสความโลภไม่ได้นั่นเองเพราะเราไม่เราไม่รู้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงปล่อยให้ไหลไปตามความโลภตามความอยากแต่พวกเราช่วงชคี เราได้มาเจอคําสอนแล้วเราได้ยินได้ฟังแล้วว่ากิเลสตัณหานั้นเป็นตัวเป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตจิตใจของเราเราไม่ควรปล่อยให้มันมีอํานาจอยู่เหนือเราได้เราต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาต่อสู้กับมันใช้เหตุใช้ผลใช้การปฏิบัติภาวนาสมาธิหรือปัญญาถ้าเรามีแล้วรับรองได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นกิเลสชนิดไหนตัณหาแบบไหนมันจะไม่สามารถที่จะมาครอบงําจิตใจของเราได้อีกต่อไปเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเพราะไม่มีใครมาคอยสั่งมาคอยใช้เรานั่นเองเราอยากจะเป็นคนรับใช้หรือเราอยากจะเป็นคนที่ไม่มีใครมาสั่งมาใช้เราเราต้องเป็นอย่างไรละ เราอยากจะได้อย่างไรเราก็ต้องอยากจะอยู่แบบไม่มีใครมาใช้เราไม่มีใครอยากจะรับใช้ใครเราอยากจะเป็นอิสระเป็นตัวของเราเองแต่ในขณะนี้เราไม่ได้เป็นอิสระเรามีกิเลสตัณหาเป็นเจ้านายของเราไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ท่านเป็นผู้อิสระท่านเป็นอิสระแล้วท่านหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาแล้ว แล้วท่านจึงมาสั่งสอนพวกเราว่าเราต้องสอนให้พวกเรากําจัดกิเลสตัณหาด้วยวิธีการทำความดีละบาปและชาระจิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขที่จะทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนเจริญที่แท้จริง เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่เราได้กราบไว้บูชากันเพราะท่านได้ทำในสิ่งที่ท่านสอนมาแล้วนั่นเองพวกเราอยากจะดีอยากจะเรินเหมือนท่านเราก็ต้องทำตามคำสอนของท่านคือทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละบาปทั้งตวงเสียและทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดซึ่งไปจากจิตจากใจแล้วเราจะได้พบกับความเป็นอิสระความสุขความเจริญจึงขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอ คุณพระรัตนตรัยมีก็พุพทธธรรมพระสง์และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายคือบุญกุศลที่เราได้มากระทํากันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภระโดยทั่วหน้าการเธอ